จิงจกทักก่อนออกจากบ้านเป็นลางร้ายไหมไม่รู้รู้แต่มีจิตปล่อยวางจิงจกทักนับเป็นนิมิตมงคลแน่ๆนแล้วจิตที่คิดเป็นกังวลมีแรงดึงดูดเรื่องนากลุ่มเข้าหาตัวหรืออาจส่งแรงบังคับขับดันให้เดินเอาหัวไปรับขี้นกก็ยังได้ผู้เจริญสติ มีสติที่เจริญแล้วเมื่อเห็นความกังวลเกิดขึ้นในใจจะรู้ทันว่าภาวะกังวล น, นั้นเป็นเพียงหนึ่งในภาวะสูญเปล่าทางจิตไม่ได้ช่วยให้คิดเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาถูกจุดไม่ได้ช่วยให้จิตพบทางสว่างเมื่อรู้ก็จะวางแล้วรู้สึกว่างจากภาวะสูญเปล่าซะได้ ลืมตาตื่นขึ้นแก้ปัญหาไม่ใช่หลับหูหลับตาอมปัญหาไว้เฉยๆภาวะจิตแบบใดเกิดบ่อยภาวะจิตแบบนั้นคือนิมิตคือลางคือเครื่องหมายบอกว่าชีวิตเป็นอย่างไรกาลังเดินไปในทางเสื่อมหรือทางเจริญมีจิตเองเป็นตัวหายนะหรือความรุ่งโรดรู้ได้เฉพาะตน ค้นพบได้เฉพาะตัวผ่านเวลาผ่านสถานการณ์พิสูจนใจนิมิตแบบเพี้ยนเริ่มด้วยลางแห่งการหลับไหลคือสภาพจิตที่คิดแบบงมงายเอาสิ่งที่ไม่เป็นปัญหามาเป็นปัญหาเอาแต่กลุ่มเปล่ากับความรู้สึกว่ามีปัญหาจนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหา พอใกล้ตายระลึกถึงชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่เห็นอะไรมากไปกว่าภาพชีวิตที่สร้างปัญหาทิ้งไว้ให้โลกแก้นิมิตแบบพุทธเริ่มด้วยลางแห่งการตื่นรู้คือสภาพจิตที่รู้จักเหตุและผลของปัญหาสนุกกับการแก้ปัญหาลื้มใจกับการแก้ปัญหาสำเร็จ ทั้งปัญหาของโลกนอกตัวและปัญหาของโลกภายในตนจนกลายเป็นภาพชีวิตที่อยู่กับปัญหาอย่างไร้ปัญหาปล่อยวางยังไม่ดูได้อยู่สบายไปสบายไม่ติดค้างจิตไม่เป็นที่ตั้งของปัญหาใดๆอีกถ้าย้ำคิดย้ำทำ ถ้าฝุงซานสับสนถ้าเหมือลอยไร้หลักถ้าเบื่อง่ายหน่ายเร็วถ้าแอบร้องไห้อยู่เงาเงายังได้อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดนั่นฟ้องชัดเลยว่าคุณยังหายใจแบบพุทธไม่เป็น